พระธรรมเทศนาแผนที่107ลำดับที่5โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หเมษายน2560มีชื่อเรื่องว่าปีกพิเวกหัวใจวันนี้เป็นวันพุธที่5เมษายนพุทธศักราช2560 เมื่อวานหลวงพ่อฉันจังหันเสร็จแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนปู่เหลิมจังหวัดเลยพอท่านจะจัดผ้าป่าะระดมทุนที่ทางที่สร้างศาลาเสร็จแล้วแต่เงินมันยังไม่เสร็จหลวงพ่อก็เลยเอาไปสมทบนะืคณะสัตยาดโยมลูกหลานเอาปัจจัยวัดของเรานะไปช่วยสมทบ้าป่า สองแสนบาทเมื่อวานพวกเราโน้มบตนาสาทุนะ่าไม่ใช่เงินหลวงพ่อขอ ง, งินวัดอย่างที่ว่านะหลวงพ่อไม่มีเงินหรอกมีจัดทายเย้าโจมาถวายเข้ามาหลายครั้งหลายหนต่างกล้ามต่างวาระ เ, าเก็บรวบรวมไว้ก็อืือเป็นก้อนขึ้นมาก็เพื่อวัดวาศาสนาส่วนหนึ่งสาธารณประโยชน์โรงร่าโรงเรียนโรงพยาบาลอีกส่วนหนึ่ง อันนี้คือเมื่อวานกันคือว่างวัดไปกลับมาก็ค่าเมื่อวานเนี่ยแล้วก็วันพรุ่งนี้หลวงพ่อเองก็คงจะได้ออกจากวัดไปอีกนั้นลูกหลานนะสองสามวันคงจะไปธุระสาสารกิจจะกลับมาก็คงจะเป็นวันที่ที่เก้า ไปวันที่หกกลับมาวันที่เกวันที่เก้าคงคงจะไปงานของหลวงปู่สวงงานหลวงปู่สวงจังหวัดยะโสธรหลวงปู่สวงเนี่ยบางคนลูกหลานรุ่นใหม่เขาอ่านว่าสรวงสวรรค์ตาตาไม่จริงก็เป็นหลวงปู่สวงเนะานะพวกเราอ่านว่าหลวงปู่สวงนะ จะมีคนอ่านว่าสารวงอีกต่างหากหลวงปู่สารวงนี่แหละงานของพวกเราถึงยังไงช่วยๆกันคิดนะหลวงพ่อก็มีแต่ย้ำแล้วบอกอีกวันที่งานของเราอ่านไหนควรจะเป็นยังไงช่วยๆกันคิดแต่หลวงพ่อพูดด้คำเดียวว่าคงจะมากนะลูกหลานนะคนพูดได้ยางไ น, น แต่ใจถึงจะมากจะน้อยก่อนเขามาด้วยศรัทธาที่มาเราก็ไม่ได้เชิอเชิญเราไม่มีบัตรเชิญเราไม่มีใบดีกาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนั่นแหะแต่ว่าถึงยังไงพี่น้องศรัทธาแยติโยมมากับมาด้วยน้ำใจพวกเราจะต้องต้อนรับขับสู้ด้วยน้ำใจเช่นเดียวกันปีหนึ่งก็มีครั้งเดียว ขอให้พวกเราทุกๆท่านทุกคนนะช่วยๆกันคิดต้อนรับเอาอย่างไรอย่างไรก็สุดแท้แต่พวกเรานะ่แหละแต่พร้อมกันก็ให้พวกเราทุกๆท่านถึงจะมีการมีงานข้างนอกมากมายขนาดไหนแต่งานภายในใจงานส่วนตัวของพวกเราอย่าได้ขาดตกบกพร่องอันนั้นจาเป็นสำคัญ ส่วนตัวคืออะไรหลวงพ่อนะเรื่องภาวนานะเรื่องจิตภาวนานะสำคัญเรื่องภายนอกเราก็ทำหน้าที่แต่เรื่องภายในของเราเราต้องคิดอ่านการกรองไตรตองโดยสม่าเสมอไม่รู้ว่าเราจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่แอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นในเมื่อยังมีชีวิตอยู่กระโดดแรงกระโดดกาเต่นแรงเต่นกา ออกหน้าออกตาในชุมชนสังคมสาธารณประโยชน์พอต่อมาหายเงียบสรุปแล้วก็คืออะไรก็คือเหมือนกับเราออกโรงเล่นขนเล่นงิ้วเล่นละครลักษณะอย่างนั้นะมันมีจุดจบผลให้สุขปิดฉาก ชีวิตของเราก็เหมือนๆไม่แพ้กันไปนู้นไปนี่ทำนู่นทำนี่สแดสแดงนู่นแสดงนี่บอกกล่าวนู้นบอกกลานี่ผลในสุดก็หายเงียบไปไปไหนาตายแล้วนะพอตายแล้วไม่รู้ไปไหนมนุษย์ของเราก็หมดจบวอาตายแล้วก็จบแล้วไม่รู้จะทำยังไงตายแล้วนะแต่ว่าเรื่องส่วนตัวนะ ที่ตายแล้วนะจุดนั้นหละในหลักของพระพุทธศาสนาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะจุดนั้นแหละจุดที่พวกที่ท่านกล่าวตืนยำ้ำว่าออกจากร่างนี้แล้วจะไปไหนเรามีทุนแล้วยังมีคุณงามความดีเพียงพอหรือยังมีบุญกุศลในจิตใจของเราเป็นไปได้เพียงพอหรือยัง เป็นที่อุ่นใจหรือยังอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิด อ, อมีใช่ว่าจะเตินแรงเต้นกาอ่ากระโดโดโตดเต้นอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้วางแผนอนาคตไม่น่าจะถูกนะสรัทธาญาติโยมลูกหลานนะเพราะนั้นลูงพ่อจึงย้ำเตือนว่าถึงจากพวกเราจะทำการทำการทงาทงานภายนอก อ, อบริบูรณ์ถูกต้องขนาดไหนก็เถอะ แต่ส่วนงานภายในของเราต้องคิดนะไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเองพวกเราท่านทั้งหลายนั่นแหละเป็นผู้มองตนเองมองตนเองคนอื่นมองก็ไม่ได้เรามองเราเรามองใจของเราเราเป็นที่อุ่นใจหรื อ, อยังบุญกุศลเพียงพอหรื อ, อยังเนี่ยนะการสร้างบุญสร้างกุศล ถ้าจะว่าไปไม่ได้ลงลงทุนไม่ได้ลงทุนอะไรมากเมื่อเราทําการทํางานหรือว่าช่วงไหนว่างว่างวันเสารอ์อาทิตย์เรือว่าช่วงหาเวลาหาเวลาหาเวลาให้ตนเองถ้าเราไม่หาเวลาไม่มีเวลาคนเรากูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้ายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ต้องมีเวลาถ้งหมดเวลาคือหมดลมหายใจเข้าออกแล้วหมดเวลา ถ้ายังมีเวลาทาั้งจะทั้งมีลมหายใจเข้าออกอยู่ต้องมีเวลาต้องหาเวลาให้ตนเองเวลาตนเองคืออะไรนี่แหละหามุมสงบวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระวันไหนก็ได้ ท, ที่วันเราว่างา ง, า ง, งานไม่ใช่จะทำงานอยู่ตลอดมหาไม่ใช่ว่าหาเรื่องให้ตัวเองทางานอยู่ตลอดไม่ใช่ในช่วงที่มันว่างเราก็หามุมสงบเข้าไปห้องพระอไรห้อง ส่วนตัวก็ได้ปิดประตูหน้าต่างปิดโทรศัพท์ปิดวิทยุโทรทัศน์ทั้งหมดเราจะสงบจิตสงบใจเข้าสู่เป็ดปีกวิเว ก, วกง่ายปลีกวิเวกให้กับตนเองบอกครอบครัวซะไม่ต้องห่วง เ, เดี๋ยวผมผมหรือฉันจะเข้าเข้าห้องเงียบก่อนนะ เข้าห้องเียบ็บห้องสงบกว่านะจากนั้นก็เข้าไปก็ปิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยแล้วลก็นั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุโทพโธพุโทโธพุทโธเราจะนั่งกี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงพอไหมสองชั่วโมงพอไหมสามชั่วโมงพอไหมเอาให้นานทีเดียวสักสองสาชั่วโมง4ี่ชั่วโมงน่ะเราทํางา น, อ, นอย่างอื่นเรายังทําได้ แล้วเข้ามุขหาหมุมสงบแล้วก็นั่งดูกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธพุทธโธจากนั้นก็นับทํามันเพลอไปก็นับอีกก็ะไรเอ๊ะมันทําใหมันเพลอว่านับดูสิหายใจเข้านับหนึ่งนับสองนับสามหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่นับไปเรื่อยอจนถึงร้อยแล้วกลับมาอีกนับตั้งหลายหลายครั้ง มันไม่เผลอแล้วยังค่อยพุดโธต่อเนะนี่แหละเป็นการฝึกสติเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่นี่แหละการภาวนานี่ไม่มีอันไหนที่จะยิ่งใหญ่กว่าการภาวนาให้ทานรักษาศีลสู้ภาวนาไม่ได้นี่นีแหละนี่แหละการสร้างกุศลเอาเข้าอยู่ยในมุมสงบเละพุโทโธพุโทโธพุทธโธพอจิตใจเน่งสงบแล้วนั้นแนหะ จิตใจจะเย็นสบายมีความสุขมองเห็นเรื่องต่างๆเรื่องราวต่างๆได้มีสติสัมปชัญญะที่จะโกรธให้ใครที่จะโลกอโรอบโกรธหลวงราคะโทสะโมหะมันจะมองใจตัวเองทันควรจะทําปล่อยมากน้อยแค่ไหนควรจะยึดอะไรควรจะปล่อยวางยังไงเป็นหน้าที่ของตัวเองแล้ะทนายมุพพชสติ อยู่กับตัวเองมันทันนะทันแนความคิดของตนเองนี่แหละอันนี้แปลว่าเราปลีกวิเวกตามลําพังไม่ใช่จะเข้ามาเข้าป่าเข้าดงเข้าวัดเข้าวา น, นั้นคือกดด็ดีถ้ามันปลีกวิเวกในส่วนนั้นไม่ได้เราก็ต้องมาฟังพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสวัดไหนก็ได้ไม่ใช่มาวัดหงพ่อแห่งเดียวนะ วัดไหนก็ได้ที่เรารักเคารพเป็นตัวอย่างที่ดีเราเรายอมรับได้เมื่อท่านแนะนําสั่งสอนแล้วเราฟังได้เราเชื่อถือถ้าหาว่าเราไปโกโลโกโศ ก, ก็อย่างว่าอีกเหมือนกันนะไม่รู้ว่าแนะนําอะไรเผอเผอแนะนําไปในทางผิดก็ได้ทางผิตะไปใหญ่เลยทนะี้ถ้าแนะนําไปในทางถูกในสมาธิน นี่แหละจิตใจของเราจะได้รับความสงบพอจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นนะเป็นพื้นฐานเป็นครั้งแรกต่อไปจิตใจของเราจะรู้จักและวิธีการเทนี่แหละให้รู้จักวิธีปรีกวิเวกสำหรับตนเองเรื่องภาวนาแต่เรื่องทานเรื่องศีลเราก็ทำมาพอชุมควรแล้วแต่เรื่องภาวนาเนี่ยพวกเรายังย่อห ย, ยอนอยู่ หลวงพ่อดูดูแล้วจัตไทยญาติโยมลูกหลานไม่ว่าใครใครล่ะเพื่อเพอพระของหลวงพ่ อ, อยังย่อย่อนอีกต่างหากเรื่องจิตภาวนาเพได้ให้พวกเราทุกๆท่านนะให้ปรีกวิเวกอย่างที่ว่านะ่ปรีกก็เป็นส่วนตัวไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยไม่ต้องปิดโทรศัพท์ปิดโทรทัศน์วิทยุอะไรทั้งหมดคือเ้าคือเข้าห้องเยบพูดง่ายเข้าห้องเยบ คือปีกตัวจากนั้นก็นั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนี่แหละถ้าทําได่อย่างนั้นเลิศประเสริฐนะครับทัทธายาตโยมลูกหลานเป็นการฝึก ส, ต, กสติกับตนเองอีกต่างหากและจิอยู่กับตนเองจิตใ น, ในเป็นที่สําคัญ ใ น, ในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่ออีกเ <คน S 1> รื่องสติถ้าคนเท่าคนแก่สติป่อมป่เปือป่อยๆเราดูเป็นยังไงถ้ามาเกิดกับเราเราเป็นยังไงถ้าสติของเราดีรู้เท่ารู้ทันการพูดจาพาทีก็มีสติอยู่กับตนเองอันนั้นจะไม่เลิศกว่าเลยเพราะฉะนั้นท่านที่ว่าสติ สำคัญในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อพวกเราฟังเอาไว้นะต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุมโมทนาให้พรัะพรนี่ตนี้นะ